อยู่เกือบตลอดเวลาณจุดนั้นฉันให้คะแนนตัวเองว่าสติอันเป็นองค์แรกของโคดชงปรากฏขึ้นแล้วในการเจริญภาวนาหมวดจิตคือเมื่อจิตเป็นสมาธิก็รู้เมื่อจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้เมื่อจิตหดหูก็รู้เมื่อจิตฟุ้งซ่านก็รู้ซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย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 ฉันกลับมากําหนดรู้ลมหายใจด้วยความพอใจจะสร้างความตั้งมั่นเฉพาะวินาทีนั้นเมื่อจิตละเอียดฉันก็ไม่เผลอห ล, อลงไหลติดใจความละเอียดแต่มีสัมปะชัญญะรู้ชัดว่าจิตละเอียดประนีต ก, ก็แค่ภาวะหนึ่งแม้ไม่เห็นขณะแห่งการดับแต่ก็ยังรู้ว่าสภาพแบบนั้นไม่เที่ยงมีอันต้องเสื่อมสลายลงเป็นธรรมดาในอนาคต